ที่วัดป่าหวัวตลกวนารามวันที่สิบสี่ตุลาคมสอง9ันห้าร้อยห้าสิบเก้าเรื่องสัจธรรมของชีวิตกับการสร้างบารมีสิบโดยหลวงตาณรงศัพท์ขีนารโยใกล้ออกบรรษาแล้วอืมทุกอย่างเนี่ยของ เออล้วก็แม้แต่ในหลวงอันเป็นที่รักก็ยอง พ, พาดพลาดเรื่องของปกปติชีวิตก็หมั่นเข้าหมั่นพิจารณาเข้าตอนนี้หลายคนก็เศร้าโศกทำให้ไม่มีสติเอ อ, เ อ, อนนแน่ ผมบอกว่าให้พิจารณาให้มากเข้าเราต้องพัดผ้าจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นธรรมดาเราก็สวดทุกวันแต่เราไม่ได้น้อมเอามาพิจารณาเนี่ยบทได้พิจารณาเราพิจารณาทุกวันพิจารณาบทสังขารเนี่ยสวดทุกวันเออสวดทุกวันเราก็น้อมมาพิจารณาทุกวันนะเออเราก็สวดถ้ามันได้ แล้วก็สวดมนต์บทบาลีและบทแปลเวลาหลวงตาเอามาพิจารณาเนี่ยหลวงตาก็ามาน้อมอย่างเงี้ยตอนแรกๆก็นึกถึงพระพุทธพร ะ, ระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์หรือคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็บุญบรารมีที่เราทำมาทั้งหมดมารวมกันไว้ที่ใจให้เราได้รู้ธรรมเห็นธรรม แล้วเราก็น้อมมาพิจารณาบทใดบทหนึ่งหรือถ้าใครพิจารณาเห็นว่าสังขารร่างกายเป็นของไม่เที่ยงต้องมีความแก่ความเจ็บความตายความเน่าเปื่อยผุพังสลายไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟร่างกายมีสี่ธาตุของแข็งก็เป็นธาตุดินของเหลวก็เป็นธาตุน้ำเป็นธาตุลมเป็นธาตุไฟไปแล้วก็ ธาตุวิญญาณธาตุจิตหรือวิญญา ณ, ญญาณเป็นความว่างเปล่าเรามีทั้งหมดห้าธาตุถ้ารวมอากาศธาตุด้วยก็เป็นหกธาตุเนี่ยเราทุกคนต้องถึงกับความแก่ความเจ็บความตายต้องเน่าเปื่อยผุพังสลายไปไอธาตุไฟเนี่ยมันก็หนีไปก่อน แต่ธาตุลมหายใจไปก่อนแล้วเพราะว่าธาตุลมหายใจมันหายใจยาวเฮือกเฮือกแล้วก็ดับแล้วแล้วก็ธาตุไฟก็ดับเหลือแต่ร่างกายเย็นเฉียบสิ่งที่เหลือก็คือธาตุน้ำกับธาตุดินเริ่มเน่าเพราะน้ำกับดินมันจะเริ่มแยกออกจากกันเก็บศพไว้เจ็ดวันไม่ทันถึงเจ็ดวันก็เริ่มเน่าแล้วเพราะว่าธาตุดินกับธาตุน้ามันแยกออกจากกัน เขาก็ฉีดยาฟอร์มาลีนเอาไว้ฉีดยาฟอร์มาลีนไม่ให้ร่างกายมันเน่าแต่อยู่ได้เจ็ดวันมันก็เขียวหมดแม้แต่ฉีดยาฟอร์มาลีนว่าสุดท้ายตรวจศพเจ็ดวันเขาเปิดลงให้ดูเขาบอกว่าเอา้าญาติมาดูหน้าคนตายไปครั้งสุดท้ายบนเมนก่อนที่จะเอาเข้าเตาเผา ญาติก็ไม่ค่อยจะกล้าขึ้นไปดูหรอกเพราะว่ามันตายเน่าและเขียวไปหมดสภาพศพอยู่ในโลงไม่น่าดูเลยคนเราทุกคนก็เป็นอย่างนี้เนี่ยตัวเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ไม่อาจจะหนีอย่างอื่นไปได้ไปงานสวดศพทุกประจําก็นิ่มก็เชิญไปนิมนต์ไปเราก็น้อมมาพิจารณาว่า เราก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่คนที่เราลักทั้งหลายก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่ไม่ว่าจะเป็นสามีภรรยาเป็นพ่อแม่พี่น้องเป็นลูกเป็นหลานเนี่ยก็ต้องเป็นอย่างนี้แน่ต้องมานอนในโรงนี่ไปเยี่ยมเข้าโรงพยาบาลเจ็บไข้ป่วยบางคนเป็นหมอด้วยซ้ําไปเป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลอยู่โรงพยาบาลได้ซ้ําไปอันเนี้ยมันก็จะได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตาย ตัวละมานแล้วก็เจ็บป่วยในห้องไอซียูเราไปจบในห้องไอซูกันเป็นส่วนใหญ่แล้วที่สุดเข้าก็ไปห้องดับจิตเอาไปเก็บไว้ห้องดับจิต อ, ออกมาว่าลงคลื่นตัวมึงกรซีดเขียวทั้หมดแหละเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ธาตุลมหายใจมันหนีไปตั้งแต่ตอนตายใหม่แล้วลมหายใจมันดับธาตุไฟก็หนีไปหรือถ้าธาตุน้ํากับธาตุดินแล้วมันก็เริ่มจะเน่า เราก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยเราก็ดูไปโรงพยาบาลเราก็นอพี่นาเราก็ต้องเป็นอย่างเนี้ยคนที่เราลักก็ต้องเป็นอย่างนี้ที่สุดไม่อาจจะหนีไปอย่างนี้ได้การเกิดเป็นทุกข์ไม่อยากทุกข์ก็อย่ากเกิดเกิด <c oughs> มาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้ต้องมีความพัดภาคจากคนที่รักสิ่งที่รักอย่างนี้อแม้แต่เนี่ยต้องพัดภาคจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในใ น, ในโกรธเนี่ยในพระบรมโกรธ ก็อันเป็นที่รักก็ต้องพัดพลาดเนี่ยเห็นไหมอันเนี่ยให้น้อมพิจารณาเข้าถ้าใครน้อมพิจารณาเห็นร่างกายสังขารตัวเองอะเน่าเปื่อยผุพังไปเลยโดยไม่ต้องสวดอะไรเราก็น้อมเนี่ยซ้ำซ้ำซ้ำซ้ ำ, ซำน้อมมันซ้ำซ้ำเข้อย่างนี้เนี่ยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนไม่ว่าจะทํางานทํากิจการใดๆในใจก็แอบน้อมพิจารณาเข้า แอบน้อมพิจารณาเข้าอย่างเนี้ยทั้งวันทั้งคืนบางทีมันน้อมวันเนี้ยน้อมอยู่ดีๆวันรุ่งขึ้นมันก็น้อมไม่ติดแล้วไม่รู้เป็นอะไรจิตมันก็ฟุ้งซ่านดวงตาก็เป็นบางทีมันก็น้อมเน่าเปื่อยเห็นตัวเองเน่าเปลื่อยคนทั้งหลายก็เน่าเปื่อยคนที่เรารักทั้งหลายก็จะต้องตายเน่าเปื่อยผุพังสลายเป็นขี้เถ้าดุรีไปแต่บางวันน้อมยังไงก็น้อมไม่ออก เรไม่ออกก็ต้องนึกเอาคําสวดบทใดบทหนึ่งที่เราสวดปงสังขารเนี่ยนึกมาบทนั้นบทนี้เอาบางทีบรรโดนใจบทไหนเราก็เอาบทนั้นเนี่ยมาสวดแปเข้าเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเรียวกว่าเดินจงกรมอเป็นต้นว่าปยาติธรรมโมหิปยาดิงอนติโต เราต้องมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะต้องไปอยู่ไอซีให้เขาเจาะให้สายยางระโยงระยางเต็มไปหมดเป็นธรรมดาไม่อาจจะหลีบนี้หนีพ้นจากสิ่งนี้ไปได้ชลาธโมมหิบายาทิงานาติโตชลาธโมมหิชาลาทิงะนาติโต เราต้องมีความแก่เป็นธรรมดาไม่อาจจะล่วงพ้นความแก่ไปได้เราก็นึกน้อมเปรียบเทียบปูบบ่ย่าตายายพ่อแม่ลุงป้านะ้าอาคนที่เรารู้จักทุกคนก็แก่เท่าไปหมดแล้วบางคนก็หลายคนก็ตายไปแล้วเราก็นึกน้อมมาเปรียบเทียบว่าเราเนี่ยก็ที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยไม่อาจจะล่วงหนีจากสิ่งนี้ไปได้ มลณะธรรมโมมหิมลานังอนัตติโตเราต้องมีความตายเป็นธรรมดาไม่อาจจะล่วงพ้นจากความตายไปได้ที่สุดทั้งตัวเราและคนที่เรารักทั้งหมดก็ต้องพัดผ่าจากกันไม่มีใครจะเอาไปได้ไม่มีใครจะแบกไปได้เพราะสังขารเป็นของไม่เที่ยงที่สุดกับคนแล้วคนเล่าก็ต้องพัดผ่าจากกันไป ไม่มีใครที่จะอยู่คำฟ้าได้บางครั้งเราเดินไปเราเห็นต้นไม้น่าฤดูผัดใบหน้าหนาวที่มันใกล้จะมาถึงแล้วใบไม้มันล่วงหล่นจากต้นพลิวปลิวิวลิวตามกันลงมาใจมันก็หายแวบมันสลดสังเวชว่านับภาษาอะไรกับคนและสัตว์ทั้งหลายที่สุดต้องทยอยล่วงหล่นลงจากต้น ต้องลาลับเหมือนกับที่สุดก็ต้องทยอยลาลับดับจากโลกนี้ปู่ย่าตายายพ่อแม่คนทั้งหลายที่เรารู้จักค่อยๆทยอยตายไปแล้วล่วงล่นเหมือนใบไม้ที่ล่วงล่นไปแล้ว <S 2> <S 2> <S 2> เราเองก็เป็นใบไม้แก่ที่อยู่บนต้นที่ใกล้จะล่วงล่นแล้วเหมือนกันไม่ว่าลูกเด็กเล็กแดง คนที่บาดที่หลังที่เป็นใบไม้อ่อนที่สุดก็เป็นใบไม้แก่แล้วแห้งแล้วก็ร่วงหล่นลงจากต้นชีวิตเกิดมาไม่มีอะไรเลยเกิดมาก็เพื่อตายเท่านั้นแหละเกิดเพื่อตายไม่มีอะไรเลยไม่ตายเกิดแล้วไม่ตายไม่ได้ไม่อยากตายไม่อยากทุกข์ ไม่อยากพัดพาจากคนที่รักสิ่งที่รักให้เป็นทุกข์ว่าไม่สมหวังไม่สมปรารถนาในสิ่งที่สิ่งใดปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังที่ปรารถนาหวังสิ่งใดไม่ได้อย่างที่หวังเป็นทุกข์ในโลกประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์มีความเหือดแห้งเหี่ยวแห้งเหือดแห้งท้อแท้เบื่อเซ็งกุ้ม ไม่สบายใจก็เป็นทุกข์มีความพัดผ้าจากคนที่รักยิ่งมีความพัดผ้าจากคนที่รักสิ่งที่รักเป็นทุกข์ในโลกโดยเฉพาะอี ต, ตอนที่จะพัดผ้าจากร่างกายเหล่านี้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เป็นจิตสังขารพงแต่งนี้จะต้องพัดผ้าจากเขาไปจะต้องดับพัดผ้าจากเขาไปความกลัวตายมันก็ประเดประดังมา นี่แน่มันก็จะเป็นความทุกข์ในโลกพัดภาคจากเราเองนี่แน่มันพัดพาจากคนรักคนอื่นก็จะเป็นทุกข์แล้วที่สุดหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายไปตรวจเข้าเจ็บนอนเจ็บนี่ไม่ได้มันพิจารณาอยู่เป็นประจำคันเจ็บป่วยเป็นนู่นเป็นนี่หน่อยไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เราเห็นมากับตาเลยเนี่ยเป็นบ้าก็มีรับไม่ได้สติแตกหมอบอกว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอยู่ได้ไม่เกินสิบวันเราเห็นมากับตาเลยสติแตกเลยเป็นบ้าบางรายก็สลบสลายลงไปเป็นเจ้าหญิงนิทาเป็นเจ้าชายนิทาเลยเนี่ย มันรับไม่ได้ทนไม่ได้เพราะมันไม่ได้หมันพิจารณาอยู่เป็นประจำแต่ทุกคนจะต้องประสบกับสิ่งนี้ไม่มีใครหนีความจริงอันนี้ไปได้แต่เราไม่ชอบพิจารณาความจริงถึงความจริงสิ่งนี้แต่สิ่งนี้มันก็ใกล้เข้ามาและมาประสบกับทุกคนไม่เว้นแม้แต่พระราชาหมากริย์ก็ยังไม่เว้นไม่มีที่สุดไม่มีใครเหนือกว่าใคร ตั้งแต่พระราชามหากระัตริย์จอมทัพเศรษฐีมหาเศรษฐีจนถึงยาจบที่สุดก็ต้องตายล้มทับลงบนแผ่นดินสิ่งที่กอบโกยมาทั้งหมดที่มีอยู่ทั้งหมดไม่อาจจะแบกไปได้เลยไม่อาจจะแบกผัวแบกเมียแบกรูปแบกหลานแบกพ่อแม่พี่น้องแบกสมบัติพัฒฐานตำแหน่งราบยศไปได้เลยที่สุดต้องพกราดจากทุกสิ่งไป ห ม, มาแต่เป็นจบตายบางคนหาได้ความโลภโมโทสันชีวิตมีเป็นอยู่มีแต่ความทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ก ท, กที่สุดแล้วตายก็ไม่ได้อะไรไปเลยร่างกายก็แบกไปไม่ได้จิตสังขารคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ความจำได้ไม่รู้การรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็แบกเอาไปไม่ได้ร่างกายก็ต้องตายเน่าเปื่อยผุพังไป มันพิจารณาน้อมพิจารณาอยู่อย่างนี้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสายจิตมันจะค่อยๆปลงสลดสองเวชปลงลงปลงลงปลงสลดสองเวทใจมันจะค่อยวางการหลงหยึดมั่นถือมั่นหลงการเกาะเกี่ยวหลงเพลิดเปลินเจริญใจมันจะรู้สึกถึงความตายที่ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วไม่อาจจะเอาอะไรไปได้ แต่ถ้ายังต้องไปเกิดใหม่ยังไม่รู้ในผานสิ่งที่ติดไปก็มีเพียงแค่ความดีและความชั่วบุญกับบาปเท่านั้นที่ติดไปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เลยเนี่ยบางวันน้อมขึ้นมาโดยไม่ต้องเอาคำสวดมนต์ใดๆขึ้นมาน้อมนึกถึงความแก่ความเจ็บความตายความพาัภาคนึกถึงคนพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ตายจากก่อนตายก็ทุกข์ทรมานแสนสหัสตายแล้วก็เน่าป่วยผุพัง ตอนเช้าไปเก็บข้เผาแล้วไปเก็บที่เช่าที่เท่ากระดูกตอนเช้าว่าไม่ว่าใครจะตัวใหญ่ขนาดไหนตอนใช้เอามาปั้นตุ๊กตาตัวเล็กๆได้เพียงตัวเดียวแล้วก็ก็นําอบไทยพมเอาดอกมะลิโรยแล้วก็ผ้าขาวห่อไว้ในสุดก็เขาไปลอยน้ําทิ้งหมดหรือเรียกว่าลอยอังคารเพื่ออะไรลนะเพื่อเห็นว่ามาจากดินก็กลับคืนสู่ดิน กระดูกทั้งหลายก็ล่วงหล่นลอยจมลงไปใต้ผิวน้ําผสมกับทรายและดินไปเพื่อให้เตือนใจว่าเรามาจากดินก็กลับคืนสู่ดินมาจากน้ําก็กลับคืนสู่น้ํามาจากลมก็กลับคืนสู่ลมมาจากไฟก็กลับคืนสู่ไฟมาจากวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ที่เป็นความว่างก็ต้องกลับคืนสู่ความว่างของธรรมชาติ ไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นไปได้อย่าไปหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงๆจังๆเราเกิดมามีรูปร่างกายนี้ก็อาศัยรูปร่างร่างกายนี้สร้างคุณงามความดีละบาปนะละบาปอากุศลทั้งมวลอาศัยร่างกายอาศัยขันหานี้แน่ ทำคุณงามความดีสร้างบุญบา ร, รมีให้มากๆากในการละบาปบาเป็นบุญสร้างบุญบา ร, รมีบา ร, รมีสิบสร้างเข้าบา ร, รมีสิบสร้างมันทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยบา ร, รมีสิบสร้างเข้าทัานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระอินทร์พระพรหมพระอิศวรเป็นใหญ่ในสวรรค์แม้แต่พญยายมราช หรือพยายยบาลที่อยู่ในนรกไม่ว่าจะเป็นกรรษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นจอมทัพหรือเป็นพระพุทธเจา้าเป็นพระอรหันต์ล้วนต้องสร้างบา ร, รมีสิบมาทั้งสิ้นต้องผ่านบา ร, รมีสิบมาดังนั้นต้องสร้างเข้าทุกวันบา ร, รมีสีเประเซ็สร้างทุกวันทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีนี่สร้างมันเข้า เน่ฆัมมะบรารมีคือความปรารถนาที่จะออกจากทุกข์เนี่ยแต่หัวหอกทั้งหมดของบามีสิบเนี่ยก็คืออธิฐานบาลมีสัจจะบาลมีอธิฐานเข้าตั้งสัจจะอธิฐานเข้าชีวิตเราที่ผ่านมาก่อนจะมาพบครูบาอาจารย์ก่อนจะได้มาพี่ผู้สอนก่อนจะได้มาฟังธรม เราก็ผิดพลาดทำผิดศีลผิดธรรมมาไม่เช่น้อยหลายภพหลายชาติก็ทำผิดศีลผิดธรรมมาไม่เช่น้อยมาเราไปตกรกรรมลาบากไปเกิดเป็นสัตว์เลราจฉันเปตอสุรกายสัตว์นรกมาก็ไม่เช่น้อยหลายภพหลายชาติที่เราเกิดมาก็สร้างบาปกรรมมาไม่เช่น้อยเกิดมาในชาตินี้ เราก่อนมันจะรู้เดียงสาจนถึงบัดนี้มีกว่าจะมีคนมาสอนเรากว่าจะมีพระมาสอนเราเราก็ทําผิดศีลทำมไม่ใช่น้อยตั้งแต่ศีลห้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนชีวิตอื่นสัตว์อื่นรักทรัพย์ผู้อื่นเอาทรัพย์ของผู้อื่นยักยอกทรัพย์ของผู้อื่นไปอผิดลูกผิดเมียผิดลูกผิดผัวเขาเราก็ทํามาพลาดพังคนก็พลาดพังมา พูดโกโหกหลอกลวงเอาประโยชน์จากคนอื่นพูดเสียสีกระทบกระแทกแดกดานเปรียบเทียบเปรียบเอยติชินนินทาว่าร้ายเขาเราก็ทำมาบางคนก็ดื่มสุรายาเสพติดเล่นการพนันหัวทิ่มหัวตาเราก็ทำมาผิดศีลผิดธรรมเนี่ยเราทำมาแล้วเยอะมาก ดังนั้นตัวบา ร, รมีสิบมันจึงขึ้นด้วยหัวหอกมันจึงเป็นสัจจะบา ร, รมีอธิษฐานบา ร, รมีว่าเราสำนึกผิดแล้วบัด น, นี้ข้าพระพุทธเจ้าสำนึกผิดแล้วให้สัตสบานต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอเยสงอย่างเหมือนกับพระประธานในสลาปฏิบัติธรรมนี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าสำนึกผิดแล้วในโทษบาป ก, กรรมที่ได้ทํามาทุกพบพทุกชาติจนถึงในชาตินี้นับแต่นี้เป็นต้นไป จะถือศีลให้มั่นคงตั้งแต่ศีลห้าเป็นต้นไปจนถึงพระวิสุสงก็ถือศีลสองรอยีิบเจ็ดให้มั่นคงจะไม่มีเจตนาทางใจที่จะล่วงละเมิดศีลเป็นเด็ดขาดไม่ใช่ว่าป้องกันเฉพาะการพูดการกระทาแต่ต้องตั้งใจว่าเราจะต้องไม่มีเจตนาที่จะกระทาผิดนอกสจากว่ามันพังพาดไป แต่จะต้องไม่มีเจตนาถ้าเราพั้งพาดไปเมื่อไหร่เราก็ขอเข้ามาขออภัยขอเข้ามาต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมปิะยะสง์เราต้องขอเข้ามาแล้วขอเข้ามาเมื <S <S 2> <S 2> ม่อเราตั้งใจแบบนี้จะละบาปบําเพ็ญบุญแล้วก็จะฝึกฝนจิตใจของตัวเองให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันให้ได้ทุกขณะปัจจุบันมุ่งสู่กันเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าในอริยสรรัจสี่ พิจารณาในสติปัฏฐานสี่พิจารณาความจริงในร่างกายจิตใจของตัวเรานี่แหละให้เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของไม่เที่ยงมีความแก่ความเจ็บความตายส่วนจิตใจที่มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วหายไปหาตัวตนจริงๆไม่มีเลยตัวเราเนี่ยไม่มีตัวตนจริงๆที่เหลือเป็นแก่นเป็นก้อนเลยแม้แต่ทุลีเดียว ที่สุดก็แตกดับทําลายหมดหาตัวตนของเราไม่มีสลายการไปเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุว่างเปล่าจะหมดสิน้นจะไปหลงยึดมั่นถือบ้านว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราแล้วที่ชีวิตที่เหลือก็ทําประโยชน์ตนเสร็จแล้วก็คือประโยชน์ตนก็ทํามาตลอดเวลามุ่งสู่ความพ้นทุกข์ประโยชน์ท่านก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นในกิจการงานของผู้อื่น เราก็ต้องช่วยเหลื อ, อ, อใครมีหน้าที่อะไรที่จะช่วยเหลือกิจการงานของผู้อื่นได้เป็นงานส่วนรวมงานส่วนตัวที่ช่วยเหลือได้งานพระพุทธศาสนาเราก็ต้องช่วยไม่ใช่ปล่อยประละเล ย, เ, ยเช่นเป็นพระเราก็เออทาข้อวัดเพราะว่าสาระสำคัญของพระก็คือรักษาศีลให้บริสุทย ก็เป็นพระภิกษุก็รักษาศีลสองรอยี่บเจ็ดเป็ น, เนเสัมเน์ก็ศีลสิบหรือว่าพอขาวแม่ขาวที่มาถือศีลแปดหรือคารวาทั่วไปก็ถือศี 5, ลห้าเราก็หน้าที่ของเราก็ถือศีลให้บริสุทธิ์มีหน้าที่อะไรก็อย่างพระก็มีหน้าที่ทำข้อวัดต่างๆกวาดตาทำข้อวัดช่วยเหลือกิจการงาน ส่งน้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ส่งช่วยสงน้าหลวงปู่อุปถากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นี่เป็นเป็นกิจของพระกรรมฐานช่วยอุปถากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นวดบ้างดูแลท่านบ้างถามสารทุกขถูกดิบท่านไม่สบายพาไปหาหมอเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรช่วยสงน้ําช่วยล้างเท้าให้ท่านช่วยนวดให้ท่าน กวาดตาช่วยกวาดตาช่วยทำความสะอาดช่วยดูแลเสนาสะนะช่วยกันดูแลเสนาสะนะแล้วแต่ว่าใครจะมีหน้าที่อะไรแบ่งหน้าที่กันทำไปไม่ว่าอะไรก็ทำไปห้องน้าห้องส้วมเสนาสะนะกุฏิสถานที่ลงไฟลงน้ำเนี่ยนี่คือวัดป่าเป็นข้อวัดสำรัะสำคัญคือข้อวัดเนี่ยข้อวัดเนี่ยจะขาดไม่ได้ เน้นหรือพระพิสุสงฆ์จะจะเอาตัวรอดได้จะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องมีข้อวัดต้องปฏิบัติข้อวัดวัดก็คือการทําอยู่เป็นประจำสม่ําเสมอในกิจการงานต่างๆบินทบาทเป็นวัดเออต้องบินทบาทฉันเป็นวัดเนี่ยถ้ายังออกไปบินทบาทได้ก็ต้องบินทบาทออกไปบินทบาทฉันเป็นวัดเอต้องพุทธเจ้าตัดว่าต้องหาเลี้ยงชีพด้วยลาแค้งของตัวเอง ออกไปบินธบาติฉันตอนเช้าก็ออกไปสภายบาทออกไปถุกเช้าฉันในบาทเป็นวัดฉันข้าวในบาทเป็นวัดนอกจากได้รับกิจนิมนต์อย่างนี้แล้วยังมีวัดข้ออื่นอีกเช่นทุดงเป็นวัดเช็ผ้าสามผืนเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดออพักแต่ในโคนไม้ไม่พักตามเสานาสนะ เ, ออเป็นวัดอยู่ป่าช้าเป็นวัด แล้วแต่อันนั้นเป็นอธิษฐานเป็นอธิษฐานเป็นข้อวัดอธิษฐานที่เพิ่มขึ้นเป็นธุดงควัดเพื่อสู่มรรคผลนิพพานที่ท่านกล่าวว่าผู้ที่บรรลุอรหันต์เนี่ยไม่มีใครเลยไม่ผ่านทุดงควัดทุดงควัดสิบสามเนี่ยต้องผ่านธุดงควัดสิบสามหมดแม้แต่ในชาตินี้ไม่ได้ทําทุดงควัดสิบสามแต่ที่จะบรรลุอรหันต์ได้ทุกองค์ทุกท่านต้องผ่านทุดงควัดสิบสามมาด้วยความทุกข์ยากลำบากมาแล้วทั้งนั้นเนี่ย ใครมีข้อวัดอะไรช่วยกันทามาอยู่วัดปฏิบัติธรรมช่วยกันขัดตอ่งน้ําช่วยทำครัวใครไหนมีหน้าที่ทำครัวถวายพระทำความสะอาดลงครัวเก็บกวาดให้เรียบร้อยสถานที่ปฏิบัติธรรมมันก็ต้องช่วยกันดูแลเนี่ยอย่าปล่อยประละเลยชีวิตที่เหลือเนี่ยก็ทำประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าทำประโยชน์ท่านเกื้อกูลเนี่ย ช่วยเหลือผู้อื่นไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลาบากในลงตาก็พูดสอนสอนสอน ท, ทั้งไม่ว่าจะอยู่ในสื่อทุกประเภทมา20ปีทุ่มเทแรงกายแรงใจไม่ได้หวังอะไรจากจากลูกศิษย์ไม่ได้หวังอะไรจากพวกท่านเลยเป็นสิ่งตอบแทนปฎิ a n อย่างเดียวให้พวกท่านคนทุกพ้นทุกพนทุกและเนี่ ย, ยก็ทำทุกอย่างใครมีหน้าที่อะไรใครทำประโยชน์อะไรก็ ทำทำชีวิตที่เหลือเนี่ยก็อธิษฐานตั้งสัจจะอิฐาน้าให้ละบาปอากุศลใดๆจะไม่มีไม่ผิดศีลห้าเป็นต้นไปจะตึงศีลสองร้อยิบเจ็ดด้วยเจตนาเป็นอันขาดถ้าพาดครั้งไปก็ต้องขอเข้ามาต่อพระพุทธพระธรรมพระียส่งทุกครั้งแล้วก็ละบาปเสร็จแล้วก็มาเพ็นบนกุศลเนี่ยในบารมีสิบสร้างเข้าบารมีสิบแต่ ต้องมีสัจจะอธิษฐานก่อนทําอะไรไม่มีสัจจะอธิษฐานมันก็ไม่ไม่เป็นโลเป็นพายละแหละหละแห ล, หลไปไม่ได้สัจจะอธิษฐานอะไรก็คือความตั้งใจจริงเช่นว่าเราจะมาสวดมนต์ไหว้พระทําทสมาธิเดินจงกรมพิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเราจะไปตั้งสัจจะที่มันผิดนะเช่นว่าเราจะนั่งสมาธิในห้องพระทุกวันอย่างเนี้ย ถ้าเราไปตั้งสัจจะแบบนี้มันจะผิดพลาดเพราะว่าบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราทําไม่ได้เราบอกว่าเราจะทําสมาธิทุกวันเราจะสวดมนต์ทุกวันทําสมาธิทุกวันอย่างเนี้แม้แต่เรานอนเจ็บไข้ได้ป่วยบนบ น, บนที่โรงพยาบาลเราก็สวดมนต์ได้นอนสวดมนต์ได้ทําสมาธิได้โดยการบริกรรมไปเรื่อยเช่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจมันอยู่กับคําบริกรรมพุทโธมันก็เป็นสมาธิ เราตั้งศัลจ่ต้องฉลาดในการตั้งศัลจ่อย่าไปตั้งศีลจ่าว่าเราจะนั่งสมาธิสวดมวนต์ไหว้พระนั่งสมาธิในห้องพระทุกวันอย่างนี้มันทําไม่ได้มันอาจพลาดพังไปเพราะว่าบางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินทางไกลเราไม่มีเวลาที่จะไปเข้าห้องพระไม่มีเวลาไปสวดมวนต์ในห้องพระไม่มีเวลาไปนั่งสมาธิเราบอกว่าเราจะสวดมวนต์ไหว้พระทุกวนันทําสมาธิทุกวัน แต่เราไม่ได้บอกว่าจะนั่งทำสมาธิทุกวันไม่ได้บอกว่าจะสวดมนต์ในห้องพระทุกวันดังนี้เรานอนเจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลเราก็สวดมนต์ทุกวันได้สวดมนต์ตลอดนอนนอนสวดมนต์ไปเรื่อยๆอิติปิโสพะวาสวากาโตสุ ป, ปฏิปันโนจบแล้วก็สวดอีกจบแล้วก็สวดอีกอย่างนี้ก็ได้เนเราก็สวดมนต์ทุกวันแล้วก็แผ่เมตตาสวดม น, นมต์ทุกวันแผ่เมตตาทุกวันทำสมาธิทุกวันก็นอนทาก็ได้ เจนพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธให้สติมันพุทโธได้ความรู้สึกตัวให้มันมีสติสัมปชัญญะพุทโธได้ความรู้สึกตัวพุทโธพุทโธพุทโธแล้วให้ใจมันอยู่กับพุทโธก็นั่นก็เป็นสมาธิไม่ใช่ว่าเราบอกว่าจะนั่งสมาธิเรานอนทําสมาธิก็ได้บอกว่าเราจะทําสมาธิทุกวันอจะสวดมนต์ทุกวันอย่างนี้ทําได้แต่ถ้าตั้งสัจจะอิจฉาแล้วอย่าผิดสัจจะเป็นอันขาดนะต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณวิมาบรรดาคุบาอาจารย์ เพราะว่าเราตั้งสรัทธาแล้วต้องรักษาศัจธาของเราดงนั้นอันไหนที่เราตั้งได้เราต้องตั้งก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆชีวิตถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างวัานไหนอยากทําก็ทําวันไหนไม่อยากทําก็ไม่ทำโอ้ยชีวิตมันได้ไปอย่างไรแล้วโลกก็ไม่จเจริญทําก็ไม่จเจริญชีวิตมัน ม, มันลุ่มๆุมดอนดอนมันทําไปตามใจตัวเองทำไปตามนิสัยของตัวเองเนี่ยเราต้องตั้งสัจธอธิษฐานเออมันเป็นบา ร, รมีสิบเนี่ยสรัจ ธ, ธาอธิษฐานเป็นสัจธา ก็เป็นบารมีหนึ่งสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีก็เป็นอธิษฐานไว้ไงอธิษฐานว่าเราจะทํำยังไงบ้างแล้วก็สัจจะก็คือทําให้ได้อย่างอธิษฐานคือไม่ผิดสัจจะนี่ก็เป็นหัวหอของบารมีสองข้อแหละที่เหลือมันก็เป็นศีลบารมฐานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีเี่ยแล้วก็สัจจะบารมีอธิษฐานบารมี ทานบารมีศีลบารมีสมาธิบารมีอุเบกขาบารมีเมตตาบารมีขันติบารมีเนคข ม, มะบารมีเนี่ยปัถนาที่จะออกจากทุกพาตนในพ้นทุกเราจะช่วยเหลือก็คือผู้อื่นเนคข ม, มะบารมีเนี่ยปัถนาพาตนออกจากทุกเนคข ม, มะบารมีเนี่ยมันครบสิบเรื่องอ่ะ อันนี่ก็นี่แนบารมีเหล่าเนี้ยต้องสร้างเข้าสร้างทุกวันต้องสร้างสร้า ง, างคนที่เป็นเนี่ยพระอินพระพรหมพระอีศวรพระมาหากษัตริย์มหาราชเนี่ยอย่างพระบาทสมด็พระเจ้าหัวเราเทกาลที่เกา้าเดี๋ยเพิ่งสวรรคตไปเนี่ยหรือว่าจอมทัพหรือว่ามหาเศรษฐีหรือว่าพระพุทธเจ้าแม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอหรหันต์ต้องสร้างบารมีสิบมา แต่พุทธเจ้าเราสร้างบา ร, รมีสิบสร้างถึงสามสิบทัศแต่สาหรับพระอาหารหันต์แล้วสร้างแค่สิบประการก็พอแต่พุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีสามสิบทัศมันคือมันสร้างยากสิบประการนี่เนี่ยคนอื่นทําได้แค่ทานธรรมดาแต่พุทธเจ้าสละร่างกายเป็นทานสละอวัยวะเป็นทานสละชีวิตเป็นทานมาหลายชาติใครขอร่างกายขออวัยวะสละอวัยวะให้เลย ใครขอชีวิตสละชีวิตให้เลยอย่าว่าแต่ภายนอกเลยทรัพย์สิงเงินทองแม้แต่ ล, ลูกเมียก็สละบ้านเมืองก็สละช้างม้า ก, ก็สละหมดสละหมดมาแล้วทานพรพุทธเจ้าทำยากทำยากมากเพราะว่าต้องทำอย่า ง, างธรรมดาปกติเหมือนคนทั่วไปแล้วก็ทำยากขึ้นไปและทำอย่างยากที่สุดคือแม้แต่ชีวิตของตัวเองก็สละได้จึงจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ จะเป็นพุทธเจ้าได้เอเนี่ยแต่พระรหัรเนี่ยทำแค่บรารมีสิบก็บพอแล้วทุกคนต้องสร้างบรารมีต้องสร้างบรารมีอย่าไปคิดว่าเรายังอายุยังน้อยผมยังมีเรื่องหลายเรื่องที่จะไปทาหนูยังมีเรื่องหลายเรื่องที่จะไปทำมีมากหลายแล้วที่สุดมันก็หลงความคิดหลอกลวไป เอ้ยผมยังอายุยังน้อยหนูยังอายุยังน้อยยังมีเรื่องหลายเรื่องที่จะไปต้องทํายังมีเรื่องท่องเที่ยวจะต้องไปท่องเที่ยวโลกยังสิวิไลอีกเยอะยังอยากท่องเที่ยวไปในโลกกว้างที่สุดไปตายตะกลางทันเราจะรู้ได้ยังไงว่าอายุเราเหลือเท่าไหร่ไม่ทันได้ทําหลักตายก่อนแล้วตายก่อนแล้ ว, วเพราะฉะนั้นเนี่ย เราประมาทไม่ได้เลยเราต้องเร่งสร้างควาบารมีสร้างมาทุกวันทุกวันทุกวันว น, ว น, นี่แห่สร้างมาตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราขอให้ร่ำรวยซะก่อนถึงจะทำทานได้ขอให้ร่ำรวยซะก่อนจะสร้างบรารมีได้ไม่ใช่เลยเยีาวอย่าโดนความคิดหลอกอย่าโดนเขาหลอกต้องสร้างต้องมีเงินเยอะๆทาบุญเยอะๆจึงจะได้ร่ารวยทำบุญเยอะๆจึงจะเป็นหมหาเศรษฐีทาบุญเยอะๆจึงจะได้เป็นโสดาบัน เป็นสกอาทาคามีอนาคามีอรหั น, าานา ห, าหลอกลวงว่าเนี่ยต้องทําบุญกี่ล้านถึงจะได้เป็นสําเร็จพระโสดาบานันทําหลายล้านขึ้นไปได้สกอาทาคามีทํามากล้านขึ้นไปได้อนาคามีทําจนหมดเนื้อหมดตัวกัน่ะจนถึงอรหันหเนี่ยจะไปเฝ้าพุทธเจ้าทีจะไปเที่ยวสวรรค์ทีก็ต้องทําพัสปอร์ตซื้อคอนเคาะประตูทีดั่งหนึ่งต้องเป็นแสนแสน ทำพัดสปอร์ที่เป็ น, นแสงแสงถูกเขาหลอกต้มแล้วก็พากันเชื่องมงายเนี่ยท่านแค่มาสวดมนต์ไหว้พระก็ได้สละเสียงสวดมนต์เป็นทานแล้วแผ่อุทิศส่วนกุศลเป็นทานด้วยน้ําใจของท่านมีน้ําใจแผ่อุทิศส่วนกุศลเป็นทานในแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่าท่านมีน้ําใจเป็นทานอันประเสริฐมากเลย อุตสาหแผ่อุทิศสกุศลที่ท่านสร้างบา ร, รมีมาเนี่ยให้แก่ผู้อื่นโดยไม่ไม่ไม่ว่าจะอยู่ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็ดีไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใดก็ดีแล้วท่านยังอธิษฐานอีกว่าเอานอกจากจะขอพูดแผ่เมตตาให้จา ก, กาเจ้ากรรมในเวรว่าผู้ใดที่เราลวงเกินแล้วขอโหริกรรมจะได้จองเวรจองกรรมกับเราเลยขอโหริกรรมให้อภัยเธอให้อภัยเธอ จงโหสิกรรมให้เราเถิดจะได้จองเวรจองกรรมกับเราเลยจะได้เบียดเบียนเราอีกเลยเดีจะได้ปุบปั้าบจลาจกับเราอีกเลยแต่ในทางกลับกันเนี่ยคนทั้งหลายไม่ค่อยไม่ค่อยคิดแล้วไม่ค่อยแผลไม่ค่อยทำเราแผ่เมตตาจะให้แต่เจ้ากรรมในเวรสัพเพสตา เ, าเวลาปยาปัจานีคาสุขิยะตาหนังปาริยันตุอย่าเบียดเบียนกันเลยึเรา เวรเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเราขอเข้ามาขอโหทิกรรมจะได้เบียดเบียนเราจะได้จองเวรจะได้ผูกพยาบาทอาฆาตเราเลยแต่ในทางกลับกันพวกเราไม่เคยได้นึกถึงว่าแล้วผู้ใดละ่ะที่เขาได้ล่วงเกินเราทางกายวาจาใจทำให้เราต้องเดือดร้อนเจ็บจานาใจเราไม่ยอมให้อภยัยเราไม่ได้แผ่เมตตาแ ล, แล้วไม่มีในทางกลับกันว่าในทางกลับกัน เราขอเข้ามาต่อเจ้ากรรมในเวทที่เราล่วงเกินในการกลับกันผู้ใดที่ล่วงเกินเราเราก็ขอ เ, ขาเราก็ให้อโหสิกรรมให้อภัยทั้งหมดไม่ขอผู้จะบาดอาฆาตจองเวรจองกรรมให้อภัยทั้งหมดทั้งสิน้นมันก็เราก็ขอเข้ามาขออภัยแต่ผู้ที่เราล่วงเกินแล้วเราก็ต้องให้อภัยให้อโหสิกรรมแต่คนที่เราล่วงเกินก็เป็นอันหมดเวรต่อกันชีวิตมันก็ลาบลื่นอย่างเนี้ย ไม่ต้องรอให้มีเงินมากถึงจะให้ทานได้สิ่งเหล่าเนี้เป็นทานอันประเสริฐมันออกจากใจและที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลงาวง่ว่านเกวะโกะเขบอกว่าเราไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรเลยที่จะให้ทานให้ตั้งใจสละกิเลสเป็นทานอันนี้สุดยอดแล้วแม้แต่ไม่มีอะไรเลยที่จะให้ทานแต่ให้ตั้งจิตอธิษฐานสละกิเลสเป็นทาน สรุปแล้วก็คืออยู่ในสี่แผ่นที่หลวงตาได้ทําแจกให้พวกท่านไปอยู่ในหนังสือเนี่ยแนะท่านเอาไปทิฏฐานเข้ า, านแน่แม้แต่ท่านไม่มีทรัพย์สินเงินทองอะไรท่านสามารถสร้างบา ร, รมีสร้างบา ร, รมีได้ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าเราอายุยังน้อยเรายังมีเรื่องมากหลายมีกิจมากหลายจะต้องไปทํา โลกนี้ยังสีวิไลจะต้องท่องเที่ยวมีเรื่องท่องเที่ยวแล้วปล่อยให้ชีวิตมาล่องลอยไปตามยักถากรรมที่สุดแล้วก็ตายไปแล้วก็ไปเกิดไปโน่นไปเสร็จไปเกิดในอบายไปเป็นสัตว์ประชานเป็ดอสูรากายสัตว์นรกโอกาสน้อยนักที่จะกลับมาเป็นมนุษย์พุทธเจ้าตัดยากที่สุดในโลกที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกคนหนึ่งต้องไปสู่อบายโอกาสกลับมาก็ไม่มีไม่พบพุทธศาสนาแล้ว โอกาส จ, จะกลับเป็นมนุษย์ก็ไม่มีแม้แต่เป็นมนุษย์ก็อาจจะไม่ได้พบพุทธศาสนาแม้แต่พบพุทธศาสนาก็อาจจะไม่มีคนสอนทำบัดเนี้ยท่านมีครบถ้วนแล้วได้เกิดเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีมีสติปัญญาไม่เป็นบ้าเป็นใบ้ไม่เป็นคนวิกลจริตไม่เป็นคนพิกลวิการ โชคดีปานใดแล้วยังพระพุทธศาสนายังมีคนสอนให้รู้ว่าอะไรเป็นบาปบุญกุญโทษอะไรเป็นความดีเป็นกุศลอะไรเป็นบารเมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนตรงกันไม่ว่าพระองค์ไหนเกิดมาก็สอนตรงกันว่าสพาัพพปาปัสสะกะระนังการไม่ทำบาปอกุศลทั้งหวงกุศลสุปธรรมปราาการทำกุศลให้ถึงพร้อม ซาจิตตาปริโยธปนังการชำระจิตของตนให้สะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายเอตังบุตานศสาสนังคำสามข้อนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดังนั้นให้มันปฏิบัติตามคำสอนนี้ให้สมกับที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนา ไม่เป็นบ้าเป็นใบเป็นคนวิกลจริตไม่เป็นดาวเซนโดมไม่เป็นออเสติกท่านมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์บริบูรณ์คือมีมีอวัยวะต่างๆแต่สติมันยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์แต่เกิดมามีอวัยวะต่างๆสมบูรณ์บริบูรณ์แต่ก็เล่งเพียรปฏิบัติเข้าผู้สอนก็มีอยู่ศาสนากัพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ พระรหันก็ยังมีอยู่ผู้สอนก็ยังมีอยู่เร่งเข้าอย่ามัวประมาทอย่ามัวประมาทว่ายัางยังหนุ่มยังสาวโลกนี้ยังสี่วิลา ย, ยังมีเรื่องมากหลายจะไปทำมีแต่ความเพลิดเพลินจเจริญใจกันทั้งวันทั้งวันทั้งวันพูดมากกินมากนอนมากเที่ยวมากปล่อยให้มันเพลิดเพลินเนจเริญใจคิดมาก พูดมากดูนั่นนี่เล่นนั่นนี่โดยสมัยนี้มีแต่เล่นโทรศัพท์มือถือเล่นแต่เรื่องเกมเรื่องแต่แดดไลน์ที่ไม่เป็นสาระในโลกออนไลน์มันเป็นโลกแห่งสาระก็มีแต่เป็นโลกที่ไม่สาระมากมายมันต้องเป็นคนฉลาดแต่เดี๋ยวนีเน้เราเห็นมันเล่นกันแต่สิ่งที่ไม่เป็นสาระเล่นกันแต่เล่นเกมเด็กเด็กเด็กอายุสิบกว่าขวบก็ เล่นลายเล่นแชทกันไปถึงหนุ่มสาวแล้วที่สุดก็หนีออกจากบ้านแล้วไปอยู่ด้วยกันแล้วที่สุดไปเรียนหนังสือก็ไปอยู่ด้วยกันแล้วก็ถูกฆ่าตายพ่อแม่กวรจะรู้อ๋อลูกไปโดนฆ่าตายแล้วทะเลาะกันอายุมันยังน้อยแล้วไปอยู่ด้วยกันมันก็ไม่ไม่มีอะไรจะควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ฆ่ากันตายแม่กวรจะรู้เสียใจอุตส่าห์ส่งลูกไปเรียนลูกก็ไปอยู่ด้วยกันแต่แล้วอะไรนะแล้วก็มาฆ่ากันตายเนีย่ยโลกสมัยเนี้ย ไทยมีลูกสมัยนี้เลี้ยงยากมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นโลกของเนี่ยเป็นโลกของออินเทอร์เนต็ตเป็นโลกของที่เด็กมันเอาเข้าไปส่วนตัวเอาไปเล่นกันเโทรศัพท์มือถือก็ไปเล่นส่วนตัวกันพ่อแม่ก็ไม่รู้เนี่ยอย้เรื่องเนี้ยมันน่าปวดหัวจริงๆอะ่ะแล้วก็ภัยพิบัติอาชญากรก็มีมากเพราะคนมันโลภมาก ยาติบติดก็เยอะกาบบันน้นก็เยอะและ้วไอ้ น, นี้เนี่ยอจกรก็เยอะมีข่าวแทบทุกวันโอ้ใครมีลูกมีหลานตัวเราเองก็แทบจะเอาไม่รอดลำบากมากเลยลองคิดดูสิค่ชีวิตช่วงเราขนาดนี้ยังลำบากขนาดนี้ศา ส, สนาเพิ่งล่วงไปแค่สองพันห้ารอยห้าสบเก้าปีตอนนี้กล้จะสองพันห้าร้อยหกสบแล้วพระรหานก็เหลือไม่มากแล้ว ศา ส, สนาก็สิ้นไปตั้งเนี่ยอายุสุภัสสนาที่พระเจ้าตัดไว้ฮะมีอายุห้าพันปีแต่ตอนนี้มันพมันใกล้พศสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแล้วพอใกล้พศสองพันเอ่อพศสามพันพระองค์ได้ตัดไว้ว่าไม่มีพระอรหันต์ในโลกอีกแล้วหลังจากพศสามพันไปแล้วถึงพศห้าพันไม่มีอรหันต์ในโลกไม่มีใครสอนให้บรรลุพระนิพพานได้ไม่มีใครสอนให้บรรลุอรหันต์นได้ไ มันจะถอยหลังไปเรื่อยๆดับแต่นั้นเป็นต้นไปเรานี่เหลือเวลาโชคดีมาเกิดในยุคนี้มันใกล้จะพอศสามพันแล้วมันยังพอมีเวลาที่จะทันแต่ถ้าท่านปล่อยปะละเลยประมาทกลับมาเกิดอีกทีเกิดมาในลุกของในยุคของโลกกะลียุคที่พุทธศาสนาเสื่อมแล้วคนก็จิตใจเสื่อมสามแล้ว เอาอาวุธออกมาประหัดประหารกันจนเป็นทั่วโจกระทั่งท่านกล่ว่าจะไปถึงตู่นเนี่ยคนกินคนนู่นอืกลับไปถอยหลังไปเลยเนี่ยเอาอาวุธมาใครมีอาวุธอะไรก็ออกมาประหัดประหารกั น, นป้ อ, ปอง เ, เนี่ยฆ่ากันตายเป็นเบือ่อภัยพิบัติก็ร้ายแรงมากขึ้นไปว่าโอ้ทกภยัยวาตะกีภยัยต่างๆเนี่ยเกิดภัยพิบัติมากมายโดยเฉพาะอัจจากร์ก็จะมากมาย แล้าท่านจะกลับมาเกิดในยุคนั้นเนี่ยดูที่เราคิดดูที่ว่ายุคนี้ยังลำบากยากเข็นขนาดนี้ถ้าท่านกลับมาเกิดใหม่ในหลังพศสามพันว่ะมันจะยากเขียนลําบากอย่างไรเออถ้ามันคิดถึงบ้างว่าเอยให้คิดถึงว่าอกของชีวิตตัวเองบ้างมันจะเป็นยังไงมันจะเอาอย่างไงเนี่ยล่องลอยไปวันๆหนึ่งหรือว่ายัางไงมันไม่ได้อะไรเลยไม่เอาอะไรเลยเออาไม่เอาอะไรเลยไม่ ร่อง้อยไปคนสอนก็มีอยู่เราเกิดมาเป็นผู้ศาศสนาเป็นผู้มีมีอ า, ยาียะวะครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เราไม่เอาอะไรเลยก็ไม่รู้จะเป็นยังไงอมันมีความเป็นอยู่เนี่ยไม่ต่างจากศัพท์เดรัจฉานหรอกถ้าพูดจับจับก็คือที่เขาพูดว่ากินขี้ปี้นอนชีวิตมีอยู่แค่กินขี้ปี้นอนแค่นั้นแน่ไม่ได้มีอะไรแตกต่างไปกว่านี้เลยไม่ได้มีการพัฒนาชีวิตไปมากกว่านี้ เพรนันเนี่ยโลกก็ไม่สู้ทำก็ไม่สู้อะไรก็ไม่สู้ไม่เอาสักอย่างโลกก็ไม่เอาลําบากก็ไม่สู้หนักไม่เอาเบาไม่สู้เพราะว่าปฏิบัติธรรมก็หนักไม่เอาเบาไม่สู้แล้วมันจะไปยังไงชีวิตอ่ะโอ้ยโลกก็หนักก็ไม่เอาเบาก็เบาก็ไม่สู้พอมาถึงปฏิบัติธรรมหนักก็ไม่เอาเบาก็ไม่สู้มันจะไปยังไงชีวิตไปตามยะถากรรมล่อนเล่ไปเลื่อมันก็ลอยไปเหมือนกับ ของอะไรที่มันตกไปในน้าลอยน้ําลอยเทกเต้งไปเรื่อยลอยไปตามยะถากรรมแล้วแต้มจะไปที่ไหนปล่อยชีวิตเหมือนสัตว์ในไร่ฉานกินขี้ปีนอนกินขี้ปีนอนชีวิตมีอยู่แค่นี้ยสัตว์ในไร่ฉานเนี่ยมันก็ไปหาอะไรกินหางานทำเหมือนก็เหมือนก็หางานทําเนี่ยไปหาอะไรกินหาทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อจัจ่ายใช้สอยเพื่อมากินแล้วก็กลายเป็นเอาไปกินเสร็จก็ไปถ่ายไปหมด อแล้วผสมพันธ์สืบพันธุ์มีเผ่าพันธุ์มีลูกมีหลานออกมาแล้วก็นอนหลับไปตื่นเช้ามาก็ไปทํามาหากินกลับมาก็กินมาก็มาถ่ายไปหมดไอ้ที่หามาก็หมดไปแล้วผสมพันธ์สืบเผ่าพันธุ์แล้วก็นอนไปตื่นมาก็เป็นอย่างเงี้ยตื่นเช้าออกไปทํามาหากิ น, กบบ น, น, นเหมือนสัตว์ในกระฉาดนะตื่นเช้าก็าออกไปหากินกลับมาก็มาผสมพันธ์กันแล้วก็นอนไป ชีวิตฉันบอกว่ามีความเป็นอยู่มันสัตว์เดรัจฉานตายไปมันก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างเงี้ยเออพิจารณาให้มากมากเนี่ยต้องดูนึกถึงพระพุทธเจ้าท่านสอนอยู่พระพุทธประานพระสงฆ์พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยทุกคนจะมีแต่ความห่วงใ ย, ยสอนสอนสอนสอนเออมันก็เราก็พระพุทธเจ้าสอนจนกระทั่งดับพันธะลิขิพานไป ไม่มีเวลาหยุดพักเลยต่อมาก็มีพระธรรมมีพระยส่งมาสอนพระแม่ครูบาอาจารย์มาสอนสอนก็ผ่านไปผ่านไปคนแล้วคนเ่าผ่านไปวันแล้วว่าเล่าเนี่ยแต่ละท่านก็ล่วงเลยไปพระบาทสเมเด็จพระเจ้าอยู่หัวริการที่เก้านี่ก็อุตส่าห์สร้างบา ร, รมีสร้างคุณงามความดีประเทศชาติเต็มที่ที่สุด ก, ก็ก็ดับไปแล้วอีกองหนึ่งเนี่ยเราต้องดูว่าชีวิตเราที่เหลือเนี่ยไม่ได้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอะไรบ้างชีวิตที่เหลือเนะ หรือว่าปล่อยไปตามยถากรรมอย่างเงี้ยได้ทําอะไรให้เป็นคุณประโยชน์บ้างเกิดมาเป็นคุณประโยชน์แก่ตนบ้างก็ยังดีถ้าไม่ทำประโยชน์ให้แก่คนอื่นเนี่ยเกิดมาจะปล่อยให้มันล่องลอยไปตามยถากรรมนะออืแล้วไอ้เนี่ยมาคิดได้กับสายไปซะแล้วหลายคนมาพอจะใกล้จะตายมามาสํานึกเสียใจมาออกรายการสัมภาษณ์ว่าชีวิตถ้ามันถอยหลังกลับไปได้จะไม่ปล่อยให้ชีวิตมันเหลวไหลแบบนี้เลย จะเมตตาตนเองและผู้อื่นให้มากๆแต่มันถอยเวลาไปไม่ได้เสแล้วต่อให้เป็นมหาเศรษฐีหลายคนที่ออกมาพูดพอมันใกล้จะตายก็เสียใจกับวันเวลาที่ผ่านมาก็ถอยเวลากลับไปได้ก็จะไม่เหลียวไหลแบบนี้จะรักตนเองและรักผู้อื่นให้มากเมตตาตนเองและเมตตาผู้อื่นให้มาก แต่มันถอยเวลาไปไม่ได้แล้วเพราะแสงม่รีบหลีก่าจะตายแล้วแล้วที่สุดแตสมบัติที่ทิ้งไว้มากมายก็ไม่ได้อาไปหรอกเอาไปไม่ได้เนี่ยหลายคนก็ประสมนึกได้แต่เมื่อมาเสียใจคือมันสายไปเสียแล้วเมื่อเขาหมอบอกว่าคุณเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายหลายคนคุณอยู่ได้อีกเพียงไม่กี่วันจะทําอะไรก็รีบทําได้ซะแต่แต่สํานึกผิดบางคนไม่สานึกผิดก็สติแตกเป็นบ้าไปแต่หลายคนก็เอน็อกลงไปเลย นกลงไปเลยเนี่ยแล้วเนี่ยเราลองคิดดูด้วยเมื่อถึงเวลา น, นั้นเนี่ยตอนไฟธาตุจะแตกเนี่ยเรามีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างทุกวันนี้มีอะไรเป็นที่พึ่งบ้างมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีมีไตสรานาคมเป็นที่พึ่งหรือเปล่ามีพระธรรมเป็นที่พึ่งหรือเปล่าอยู่กับธรรมกินกับธรรมนอนกับธรรมไปกับธรรมไปไหนก็ไปกับธรรมหรือเปล่ามีธรรมเป็นที่พึ่งหรือเปล่าทุกวันนี้มีอะไรเป็นที่พึ่ง ตอในวันทุกวันนี้ไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งตอนไฟท่ามันจะแตกจะตายนั่นแหละจะทุกข์ทรมานแสนสาหาัสเพราะไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งเลยนะ